บทภาชณีติกปาปาจิตตี872อุปสัมบันภิกษุณีสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันให้โผนทนาต้องอบัตปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุณีไม่แน่ใจให้โผนทนาต้องอบัตปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุณีสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันให้โผนทนาต้องอบัตปาจิตตีทุกกฎภิกษุณีให้อนุปสำบันโผนทนา อนุปัสมบันิภิกษุณีสคัญว่าเป็นอนุปัสมบัตต้องอบัตทุกกฎอนุปัสมบตภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอบัตทุกอนุปัสมักีสคัญว่าเป็นอนุปัสัตต้องอบัตทุก